คุณลักษณะของท่านผู้เข้าถึงนิพพานประการที่สองาวิตะศีลมีศีลที่ได้พัฒนาแล้วในด้านความประพฤติทั่วไปที่เรียกว่าศีลมีคำกล่าวแสดงลักษณะของผู้บรรลุนิพพานแล้วไม่สู้บ่อยครั้งนักทั้งนี้เพราะตามหลักศีลเป็นศิก ข, ขาหรือการศึกษาขั้นต้นพระอริยบุคคล ย่อมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ชั้นโสดาบันและเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ผู้เข้าถึงนิพพานบรรลุก็เป็นภาวะที่ทำให้ความทุศีลหรือความประพฤติเสียหายไม่มีเหลือต่อไปโดยนัยะดังกล่าวมาข้อที่ควรพิจารณาณที่นี้จึงเหลือจำกัดเพียงข้อที่ว่าพระอรหันต์ดเนินชีวิตอย่างไรทากิจกรรมหรือประกอบกิจการงานอะไรในรูปลักษณะอย่างไร การแรกพระอาหารหันต์เป็นผู้ดับกรรมหรือสิ้นกรรมการกระทําของท่านไม่เป็นกรรมอีกต่อไปในคมภีร์ฝ่ายอภิธรรมมีคําเรียกการกระทําของท่านว่าเป็นกิริยาที่ว่าดับกรรมนั้นหมายถึงไม่กระทําการต่างๆโดยมีอวิชชาตันหาอุ ป, ปาทานครอบงําหรือชักจูงใจแต่ทําด้วยจิตใจที่เป็นอิสระ มีปัญญารู้แจ้งชัดตามเหตุผลเลิกทาการอย่างปุถุชนเปลี่ยนเป็นทำอย่างอาริยชนคือไม่ทำการด้วยความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวกับตัวชั้นของชั้นผลประโยชน์ของชั้นที่จะให้ชั้นได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความปรารถนาเพื่อตัวตนเคลือบแฝงอยู่ไม่ว่าในรูปที่หยาบหรือละเอียดแม้แต่ความภูมิพองอยู่ภายในว่านั่นเป็นความดีของชั้นหรือว่า ฉันได้ทำความดีเป็นต้นทำไปตามวัตถุประสงค์ของกิจนั้นๆตามเหตุผลของเรื่องนั้นๆตามที่มันควรจะเป็นของมันล้วนๆจึงเป็นการกระทำขั้นที่ลอยพ้นเหนือกรรมดีขึ้นไปอีกส่วนกรรมชั่วเป็นอันไม่ต้องพูดถึงเพราะหมดโลภะโทสะโมหะที่จะเป็นเหตุปัใจจัยให้ทำความชั่วเสียแล้วอย่างไรก็ดีบางคราวมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า ตามปกติคนเราจะทำอะไรได้จะต้องมีแรงจูงใจในการกระทำและแกนสำคัญของแรงจูงใจทั้งหลายก็คือความปรารถนาความต้องการซึ่งควรจะรวมอยู่ในคำว่าตัณหาเมื่อผู้บรรลุนิพพานละตัณหาเสียแล้วก็หมดแรงจูงใจจะทำการต่างๆได้อย่างไรคงจะกลายเป็นคนอยู่นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยแม้จะไม่ทำความชั่วก็จริง แต่ก็ไม่ทำความดีอะไรด้วยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรในที่นี้คำตอบขั้นต้นอย่างง่ายๆมีว่าม่ใช่แต่ความอยากความปรารถนาเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจแม้ความคำนึงเหตุผลก็เป็นแรงจูงใจได้เช่นกันดังจะเห็นได้ในปุถุชนเมื่อจะทำการบางอย่างบางคราวมีการต่อสู้กันภายในจิตใจระหว่างพลังสองฝ่าย คือระหว่างความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวกับความรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วบางคราวเขาก็ทำตามความอยากได้บางคราวเขาก็ทำตามเหตุผลพิจารณาลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยอาศัยพลังที่ทำให้มันเป็นชีวิตคือมีความเคลื่อนไหวกยับขยายตัวถ้าไม่มีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ชีวิตจะเคลื่อนไหวไปตามทางที่ความรู้บอกให้แต่เพราะขาดความรู้หรือความรู้ไม่เพียงพอตัณหาจะได้โอกาสเข้ามาบิดเบือนหรือบงการความเคลื่อนไหวของชีวิตไม่เฉพาะบงการให้ทำเท่านั้นบางครั้งเมื่อความรู้บอกให้แล้วว่าควรกระทาแต่ตัณหาในรูปของความเกียดคร้านเป็นต้นเข้าครอบงาเสียกลับเหนียวรั้งไว้ไม่ให้กระทาก็มี ในภาวะเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าตัณหาหรือความอยากไม่เป็นแต่เพียงแรงจูงใจให้กระทำเท่านั้นแต่เป็นแรงจูงใจไม่ให้กระทำด้วยแต่ถ้าจะพูดให้ถูกทีเดียวการไม่กระทำในกรณีนี้ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งเหมือนกันคือกระทำการไม่กระทำเพราะมีกิจกรรมที่เรียกว่าการไม่กระทำนี้เกิดขึ้นในรูปของการหน่วงรังไว้ดังนั้น หน้าที่ของตันหาในที่นี้คือเป็นแรงจูงใจทั้งในการกระทำการกระทำและในการกระทำการไม่กระทำเป็นอันว่าเพราะมีตันหาคอยขัดขวางบีบและบงการจึงทำให้การเคลื่อนไหวโดยพลังของชีวิตไม่เป็นอิสระตามทางที่ความรู้บอกให้เมื่อใดพ้นจากอำนาจครอบงำหรือแรงเล้าแฝงกระซิบของตันหา เมื่อนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระตามทางของปัญญานี่คือภาวะที่ชีวิตเป็นอยู่และดำเนินไปด้วยปัญญาอย่างไรก็ดีถ้ามองลึกลงไปอีกโดยแยกแยะวิเคราะห์ให้ละเอียดจะเห็นซ้อนขึ้นมาอีกว่าเมื่อปัญญารู้เข้าใจมองเห็นว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรตามเหตุผลที่ควรจะเป็นนั้น พอปัญญาบอกขึ้นมาอย่างนั้นก็จะมีแรงขึ้นมาอย่างหนึ่งในจิตใจที่ช่วยขับดันพาไปสู่การกระทำหรือไม่กระทำนั้นอันเรียกได้ว่าเป็นความอยากอีกแบบหนึ่งหรือเรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาดังที่จะพูดต่อไปควรย้ำไว้อีกว่าเมื่อมีการไม่กระทำสิ่งที่ควรทำเช่นนักเรียนไม่สนใจบทเรียน หรือคนไม่ช่วยเหลือกันเป็นต้นไม่พึงคํานึงถึงแต่เพียงการขาดแรงจูงใจที่จะให้กระทําเท่านั้นแต่ควรพิจารณาถึงแรงจูงใจให้ไม่กระทําด้วยคือพิจารณาถึงตันหาที่มาในรูปของความเกียดคร้านความไม่ชอบใจความเพลิดเพลินกับอารมณ์อื่นเป็นต้นซึ่งมีกําลังมากกว่าจุดดึงไว้การใช้แรงจูงใจแบบตันหาจึงมักเป็นการเพิ่ม หรือเร่งร้าพลังแข่งขันต้านทานระหว่างแรงจูงใจให้กระทํากับแรงจูงใจให้ไม่กระทําฝ่ายไหนแรงกว่าก็ชนะไปข้อนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากกรณีมีแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาตรงนี้มีเรื่องที่ขอทําความเข้าใจแทรกไว้หน่อยหนึ่งคือเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงแรงจูงใจแบบตันหาแล้วก็พูดถึง แรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาตามที่พูดนั้นจะเห็นทำนองว่าสองอย่างนั้นเป็นแรงจูงใจที่ตรงข้ามกันเรื่องนี้ที่จริงจะอธิบายเป็นหัวข้อใหญ่อย่างหนึ่งข้างหน้าแต่ตรงนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องเข้ามาก็ควรทำความเข้าใจเป็นพื้นไม่เล็กน้อยถ้าพูดอย่างง่ายๆในที่นี้เรามีแรงจูงใจสองอย่าง คือแรงจูงใจแบบตันหาซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความรู้สึกได้แก่ความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นไปตามความรู้สึกเช่นรู้สึกชอบใจก็อยากได้รู้สึกว่าอร่อยก็อยากลิ้มรสเป็นความอยากหรือความต้องการโดยไม่ต้องมีความรู้ว่าถูกต้องไหมมีคุณหรือมีโทษเป็นประโยชน์หรือไม่นี้เป็นแรงจูงใจอย่างที่หนึ่งส่วนแรงจูงใจอย่างที่สอง ที่ว่าแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาพูดง่ายๆก็คือแรงจูงใจที่เกิดจากความรู้ได้แก่ความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นไปตามความรู้เข้าใจเหตุผลและความถูกต้องเป็นจริงเช่นเห็นพื้นถนนขยักขยเอิญส ก, กปรกรกมีสิ่งกีดขวางเกะกะหรือจะทำให้ลื่นถลายเรารู้เข้าใจว่า ถนนเป็นทางสัญจรซึ่งที่ถูกต้องดีตรงตามเหตุผลและความจริงนั้นพึงสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยเมื่อเห็นถนนเสียหายอย่างนั้นก็อยากทำให้สะอาดเรียบโล่งคล่องไร้ของแปลกปลอมความอยากหรือความต้องการอย่างนี้เป็นแรงจูงใจอย่างที่สองมีชื่อเรียกให้เป็นคู่ตรงข้ามกับอย่างแรกคือแรงจูงใจแบบตันหานั้นว่าเป็น แรงจูงใจแบบชันทะชันทะคือความอยากความปรารถนาความต้องการที่ตรงไปตรงมาตามสภาวะคืออยากให้สิ่งนั้นๆดีงามสมบูรณ์ตรงหรือเต็มตามสภาวะที่จะพึงเป็นไปของมันซึ่งไม่เกี่ยวกับความชอบใจหรือไม่ชอบใจและการที่จะได้จะเอาหรือจะให้สลายไปเพื่อสนองความรู้สึกแห่งตัวตนของเรา แต่ความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นแรงจูงใจแบบฉันทะนั้นพัฒนาขึ้นไปตามพัฒนาการของปัญญาทีนี้ฉันทะที่ปรารถนาที่ต้องการให้สิ่งทั้งหลายดีงามสมบูรณ์ตรงหรือเต็มตามสภาวะที่จะพึงเป็นไปของมันนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องกับคนก็แสดงออกเป็นความอยากความต้องการให้บุคคลนั้นๆ ดีงามสมบูรณ์แข็งแรงสดใสน่าชื่นชมมีความสุขตลอดจนอยากให้เขานำรงอยู่ในภาวะแห่งความถูกต้องสมควรเป็นธรรมไม่มีความบกพร่องผิดพลาดยิ่งกว่านั้นเนื่องจากท่านให้ความสำคัญแก่คนเป็นพิเศษฉันทะต่อคนก็แยกขยายออกไปตามสถานการณ์เป็นเมตตาที่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข ในยามปกติเป็นกรุณาที่ว่าในคราวเขาตกต่ําเดือดร้อนก็อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ภัยพ้นปัญหาเป็นมุทิตาที่ปรารถนาดีอยากส่งเสริมให้เขามีความดีงามมีความสุขความสําเร็จยิ่งขึ้นไปและเป็นอุเบกขาที่ปรารถนาให้เขาดํารงอยู่ในความถูกต้องในธรรมในความไม่ผิดพลาดเสียหายโดยเฉพาะสําหรับท่านผู้ถึงนิพพานนั้น มีลักษณะเด่นเห็นชัดในแง่ที่ว่าเป็นผู้ปลอดโปรง่งไร้ทุกข์มีความสุขหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์แล้วการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระตามทางของปัญญาหรือภาวะที่มีแรงจูงใจอันเกิดจากปัญญานั้นจึงขับดันให้แรงแห่งฉันทะในข้อการุณาแสดงออกมาเต็มที่ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีกรุณาเป็นพระคุณข้อสาคัญ อธิบายได้ง่ายง่ยว่าเทียบจากคนที่มีมนุษยธรรมทั่วๆไปกรุณานี้เกิดขึ้นมาได้เองเมื่อเราประสบพบเห็นคนอื่นที่กำลังมีปัญหาถูกความทุกข์บีบคั้นขาดอิสระภาพอยู่ถ้าในขณะนั้นตัวเราเองปลอดภัยเป็นอิสระอยู่ในภาวะที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและมีจิตใจเป็นอิสระอยู่คือไม่ถูกอวิชชาตันหาอุปาทานเข้าครอบงำชักจูง เช่นไม่ใช่กำลังคำนึงถึงผลได้เพื่อตัวไม่มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนไม่มีตัวตนที่กำลังถูกกระทบกระแทกบีบคั้นอยู่ไม่เกิดความชอบใจจากการได้เห็นคนอื่นประสบทุกข์อันเป็นการสนองความอยากแฝงเร้นภายในของอัตตาที่จะได้ขยายตัวใหญ่โตขึ้นไปบ้างพูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองไม่มีปัญหาบีบคั้นทาให้ติดข้องคับแคบถ้าเรายังเป็นอิสระอยู่ ในขณะนั้นจิตใจของเราจะเปิดกว้างออกแผ่ไปรับรู้ทุกสุขและปัญหาของผู้อื่นที่กำลังประสบอยู่นั้นได้เต็มที่เราจะเกิดความเข้าใจรู้สึกเห็นอกเห็นใจเกิดความคิดที่จะช่วยเหลือปลดปลื้องเขาจากปัญหาทําให้เขาหลุดพ้นเป็นอิสระด้วยเมื่อเกิดความคิดช่วยเหลือขึ้นมาแล้วเช่นนี้ถ้าไม่เกิดตันหาแทรกเข้ามาอีก ในรูปของความห่วงใยความสุขของตนกลัวสูญเสียประโยชน์ูนย์ตัวและความเกียดคร้านเป็นตน้นพลังเคลื่อนไหวของชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างอิสระสุดแต่ปัญญาจะคิดรู้และบอกทางให้คือทำให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นชั้นทะคือแรงจูงใจฝ่ายปรารถนาของบุคคลผู้มีจิตใจปลอดโปรง่งเป็นอิสระที่มีปัญญาเปิดกว้างออกไป พร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวของชีวิตอื่นๆโดยเคลื่อนไหวาตามรู้ตามเห็นปัญหาข้อติดขัดบีบคั้นคือความทุกข์ของเขาแล้วขยายความคิดเผื่อแผ่เกื้อกูลต้องการให้เขาหลุดพ้นเป็นอิสระจากปัญหาหรือความทุกข์นั้นพร้อมที่จะทําการเพื่อแก้ไขข้อขับข้องติดขัดให้เขาความปรารถนาที่แผ่ออกไปหาทางช่วยเหลือเกื้อหนุนปลดเปลื้องทุกข์ให้ซึ่งเรียกว่ากรุณาอย่างนี้ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญแห่งชีวิตของท่านผู้ถึงนิพพานแล้วซึ่งไม่มีตัวตนใดๆของตัวเองเหลือไว้ในความยึดถือที่จะต้องสนองอีกต่อไป